พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งหมดเพื่ออย่างลงสู่พระนิพพานมีพระนิพพานเป็นที่สุดข้อปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุพระนิพพานก็คืออริยมรรคทั้งหลาย น, นะอริยมรรคทั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติที่สแสวงหาพระนิพพานเป็นสภาพธรรมที่สแสวงหาพระนิพพานอริยมรรคนั้นเป็นการรวบรวมเป็นการบริบูรณ์ของโพธิปัจยธรรมนั้นผู้ที่จะแทงตลอดอริยมรรค บรร ล, ลุอริยมรดยได้บุคคลเหล่านั้นต้องเจริญโพธิปักจะธรรมอย่างสมบูรณ์โพธิปัจจะธรรมทั้งหลายมีสติปัญญาสัมมปาปัญญาอิทธิบาทอินทรีย์พร ะ, ระโพชฌงและองค์มรดยในอัตถกาถาสุตตานิบาตกล่าวว่าจำเดิมแต่พังคยานไปเนี่ยนีตั้งแต่พังคานุปัสนาหรือพังคยานเนี่ยนี ก่อนที่จะมีนิพพิทายานเป็นตน้นจะเริ่มมีการรวบรวมโพธิปธรรัจจะมีการรวบรวมโพธิปัธรรมเพราะถ้าหากว่าไม่มีโพธิปัจจธรรมถึงธจะเข้าใจวัาเหมีโพธิดของสมีโพธิปัจเีปันอย่างไรควัมดับสัจจะมีโพธป็นอะ่างพรแต่ถ้าหากว่ิไม่มีโพธิปัจจธรรมก็ตรัสระธรรมเป็นที่ดับสัจจะมีัจจะมพระนิพานไม่ได้ มันก็ต้องรวบรวมโพธิปักจิยธรรมให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์โพธิปักจัยธรรมนั้นท่านเรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์ในพระพุทธศาสนาเป็นรัตนในพระพุทธศาสนาโพธิปัคจยโพธิปัจจัยธรรมก็ชื่อว่าเป็นสมบัติของผู้มีบุญผู้สั่งสมบุญไว้แล้วแม่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าะนะอย่าง ตลอดเวลาที่พระองค์บำเพ็ญเพียรก็คือการรวบรวมโพธิปักจายธรรมนั่นเองและก่อนที่จะตรัสรู้ตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะชาติสุดท้ายนั้น6ปีที่พระองค์วิจัยเลือกเฟนถามว่าวิจัยเลือกเฟนอะไรก็วิจัยเลือกเฟนหาโพธิปักจยธรรมสแสวงหาธรรมที่นาออกจากทุกเนี่ยนะเนถามว่าแล้วก่อนหน้านั้นทาอะไร อดีตชาติเหล่านั้นทำอะไรก็คือการบำเพ็ญบารมีทั้งหลายบารมีทั้งหลายเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยให้สแสวงหาโพธิปัคจยธรรมไม่ใช่ว่าบารมีเป็นเหตุคลอดออกมาผลคือโพธิปัจจยธรรมไม่ใช่แต่การสร้างบารมีทุกอย่างการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเนคขมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะมีความอดทนเนี่ยนะมีคันติมีสัจจะอธิษฐาน ทำทุกอย่างประกอบไปด้วยเมตตาและอุเบกขาบารมีทั้ง10เหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้เลือกเฟ้นโพธิปักยธรรมไม่ใช่เหตุในลักษณะกรรมมาปัจจัยแต่เป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นความเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปแห่งกุศลธรรมจากกุศลธรรมทั่วๆไปพื้นฐานธรรมดาเป็นอุปนิสัยแห่งกุศลธรรมที่ยิ่งใหญ่นะเป็นกุศลธรรมที่นาออกจากทุกข์คือ โพธิปัจจะธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เราเรียนรู้นั้นจะเริ่มนับตั้งแต่ตอนประโสนิตรัสส ร, รนุนะนะประโสนิออกบวชบำเพ็ญเพียรตรัสสร้โดยเฉพาะบำเพ็ญเพียรเนี่ยนะบางองค์บางพระองค์บำเพ็ญเพียรเจ็ดเดือนบ้าง8เดือนบ้าง9้าเดือนบ้าง10เดือนบ้างถ้าพระองค์เหล่านั้นพระโพธิสัตว์เหล่านั้นที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ใช้เวลาหลายๆเดือนทําอะไรก็บอกว่าใช้เวลาหลายๆเดือนในการเลือกเฟ้นโพธิปัจจะธรรมเลือกหาว่าธรรมะเหล่าไหนาที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้เนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆรวบรวมขึ้นค่อยๆเรียบเรียงขึ้นสมาทานขึ้นอธิษฐานขึ้นภาคเพียงพยายามปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโพธิปัจจะธรรมเหล่านี้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่ อ, อนะเมื่อไหร่เมื่อ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 หมายความว่ามนสิการโดยเย็บคลายและเป็นความเพียรโดยเย็บคลายและถูกต้องนะมีปัญญาเป็นหัวหน้ามีปัญญาเป็นผู้นํารวบรวมโพธิปัจจัยธรรมโพธิปัจขัยธรรมเหล่านี้จึงนําออกจากวัตถุทุกนําออกจากสังสารทุกข์ได้เมื่อพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะบูชาบารมีธรรมบูชาโพธิปัจจัยธรรม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 คำว่าบูชาคือยกย่องสรรเสริญนอบน้อมถือเอาเป็นหลักเนี่ยนะเพราะองค์เองนั้นก็ไม่ใช่ว่าพระองค์เป็นอิสระชนเป็นเสรีชนเป็นผู้มีอํานาจมาก น, นะเป็นธรรมมิสอนเป็นธรรมราชาก็จริงแต่อย่างนั้นพระองค์ก็เคารพธรรมหนักในธรรมเคารพธรรมหนักแน่นในคุณธรรมทั้งหลายมากอันเวลาที่พระองค์แสดงธรรมก็คือแสดงธรม ร, ง ร, งธรมที่พระองค์เคารพแสดงธรรมที่พระองค์บูชา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 พยายามปรับความเข้าใจว่าธรรมะที่เป็นเหตุที่สําคัญคืออุปนิสัยที่สําคัญมากก็คือการบำเพ็ญบารมีสิบหรือบำเพ็ญบุญญกิริยวัตถุสิตั้งความปรารถนาเพื่อให้เจริญโพธิปัจจธรรมเมื่อโพธิปัจจธรรมเจริญภยัยบูนบริบู์เท่าใดก็น้อมไปเพื่อรู้อริยมรรคอริยมรรคที่เป็นโล ก, กุตระนะแทงตลอดสามัญญผลทาให้แจ้งพระนิพพาน มันแล้วขณะเดียวกันเมื่อเรานอบน้อมพระพุทธเจ้าในอดีตเราศึกษาพระพุทธวงศ์นี่เราก็จะอย่างน้อยก็ระลึกถึงพระนามของพระองค์ได้นะว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าทีปังกรโกนธัญะมังคลสุมาณะเนี่ยนะอย่างที่เราเรียนมาสี่พระองค์วันนี้ก็มาขึ้นองค์ที่ห้าเรียกว่าเรวตตพุทธเจ้านะซึ่งพระองค์เหล่านั้น้วนแต่เคารพ ร, รมบูชารม ปฏิบัติธรรมตรัสรู้ธรรมและสอนธรรมสอนธรรมต้องไม่ลืมนะว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายอุปนิสัยปัจจัยที่สำคัญก็คือบารมีธรรมอย่างหนึ่งและต่อไปอีกก็คือโพธิปัจขิยธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่โพธิปักขิยธรรม37นั้นถ้าจะสังเคราะห์ย่อลงมาก็คือศีลอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาหรือจะมองอีกในหนึ่งก็คือสมถะและ วิปัสสนานั่นเองก็คือกลุ่มธรรมะที่ควรเจริญกลุ่มธรรมะที่ควรเจริญที่เราเรียกว่าจะนับหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคือกายคตาสติอันสหรคตด้วยความสําราญหรือกายานุปัสสนาสติปฐานทั้ง14บัี่บพะหรือรูปประชามที่ได้มาจากการเจริญรูปพิจารณารูปเนี่ยนะพิจารณารูปสุจากอาสุภกรรมฐานหรือกสินที่มากสินที่มีเชื้อสายมาจากสายอาสุภ นับ2คือสมถาวิปัสนานับสก็คือศึกขาสามอธิศินอธิจิตอธิปัญญาหรือสมาธิ3นับสี่ก็คือสติปทาน4ี่สัมมาปทาน4ี่อิทธิบาท4เนี่ยนะแล้วก็ถ้านับ5ก็อินทรีย์หพละหสมาธิมีองค์5นับ6ก็เป็นอนุสติ6เนี่ยนะเป็นอนุสติ6เป็นต้นเนี่ยนะ นับเก็เป็นโ พ, โพชง7นับแอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แนับ9ก้นับ9จะเรียกโยนิสโสเป็นมูล9ก็ได้หรือว่าอนุปภาพวิหารสมาบัติ9ก็ได้หรือคุณธรทำอย่างอื่นอื่อีกอ น, นะโดยเฉพาะโยนิสโสเป็นมูล9หรือว่าองค์เป็นองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรหรือว่าประธานนิยังฆะปริสุทธิเนี่ยนะหรือว่าปาริสุทธิประธานนิยังฆะ9หรือ กสินายตนะสิบนั่นนะหรือว่าถ้าจะนับเพิ่มเพิ่มไปอีกก็คือพิสดารที่สุดก็คือโพธิปัจจะธรรมทั้งหลายหรือแบ่งเป็นหมวดเจ็ดอีกในหนึ่งก็คือวิสุทธิเจ็ดประการนั่นเองซึ่งคุณธรรมเหล่านี้เป็นกลุ่มภาเวตาธรรมเป็นธรรมที่จะต้องเจริญต้องเพิ่มพูนต้องอศึกษาเพื่อความไพ่บูรณ์และบริบูรณ์งอกเงยงอกงามยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นทวนว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่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 นิพพานเพื่อดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกขเพื่อพ้นชาติชรา ม, มรณะโศกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาเพื่อพ้นภัยจากนรกเปรตอสุรกายและเดรชานทั้งหลายเพื่อพ้นสังสารทุกข์เพื่อพ้นที่ทุกขที่เกิดจากกรรมวิบากและกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยนะสรุปว่าพ้นจากวัตถุทุกโดยประการทั้งปวงสงบจากกองทุกข์โดยประการทั้งปวงเมื่อเขาเห็นธรรมเมื่อเขาตรัสรู้ธรรมท่านพระองค์จึง เคารพธรรมแสดงธรรมซึ่งสาวกของพระองค์ก็รับมรดกธรรมเหล่านั้นได้จริงๆนะนะสำหรับผู้ที่มีบุญสร้างสมคุณธรรมเหล่านั้นมาเขาก็ตรัสรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าประสงค์ทุกประการนั้นพระองค์ก็พูดถึงในเรวตะพุทธเจ้าที่5ต่อไปว่าข้อ6ต่อจากสมัยพระสมณะพุทธเจ้านะในกลับเดียวกันมีพระพุทธเจ้า4ี่องค์ไง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 กำหนดรอบรู้กองทุกขละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดทำกิจเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทำกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องมีผู้บอกผู้กล่าวแนะนำสั่งสอนไม่มีอาจารย์ในการตรัสรู้พระองค์นั้นเป็นผู้นำศัตว์โลกให้ล่วงพ้นจากวัตถุกข์พระองค์ไม่มีผู้ใดเปรียบในเรื่องรูปนะในเรื่องคุณธรรมทุกชนิดในเรื่องการสร้างบารมี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 เท้ามหาราชทั้งสี่ผู้อันเทวดาชั้นจาตุมและพร ม, มเทวดาบูชาเทวดาชั้นเท้ามหาราชทั้งสี่ก็บูชาพระพุทธเจ้าเท้าส ก, กะเป็นผู้ที่โลกเทวโลกคือจาตุมและดาวดึงบูชาเท้าสั ก, กะพระองค์นั้นก็บูชาพระพุทธเจ้าเทาวดาชั้นสูงขึ้นตลอดจนถึงพรมโดยเฉพาะเท้ามหาพรมอันพรมทั้งหลายบูชา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 ถ้าทำมจากเป็นเครื่องกําหนดขันและธาตุกาหนดอะไรขันก็คือความเกิดก็เป็นทุกข์นะว่าโดยย่ อ, อ ก, ก็คือขันห้าขันเหล่านั้นกระจายอีกในหนึ่งก็คือธาตุขันธาตุนั้นเนี่ยนะข้อไปพระองค์เนี่ยประกาศอริยมรรคธรรมประกาศธรรมคืออริยมรรคและนิพ พ, พ, พ, นพานเป็นเครื่องกําหนดรอบรู้ขันและธาตุอันเป็นเหตุไม่เป็นไปในภพน้อยภพใหญ่ โดยเฉพาะโพธิปักษคยธรรมโดยเฉพาะ อ, ะอาริยมรรคและพระนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่รอบรู้ในขันธ์ธาตุจริงๆริอริยมรรคกับพระนิพพานนั้นไม่เป็นไปอปะวาตะไม่เป็นไปในภพน้อยภพใหญ่เป็นธรรมที่เพิกถอนภพน้อยภพใหญ่โดยสิ้นเชิงพมันในการประกาศธรรมโดยเฉพาะประกาศทุกขเพื่อให้กําหนดรอบรู้ประกาศสมุทยัยเพื่อให้ละ ประกาศนิโรธเพื่อทำให้แจ้งประกาศอริยมรรคเพื่อการเจริญนั้นเมื่อพระองค์ประกาศอริยสัจจะทำเช่นนั้นจึงมีอภิสมัยการตรัสรู้ใหญ่หลวงเนี่ยนะตรัสรู้อย่างมากมายอยู่3ครั้งครั้งที่หนึ่งกล่าวไม่ได้ด้วยจํานวนผู้ตรัสรู้นะอย่างแม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าของเราบางนะบางสูตรเนี่ยบอกว่าพระบรรุออรหันต์แสนกรธ มักผลระดับล่างหาประมาณไม่ได้หลๆสูตรด้วยกันเนี่ยนะถ้านับโสดาปฏิมักขึ้นไปแล้วหาประมาณไม่ได้ครั้งนั้นพระเรวัตมุนีแนะนําพระเจ้าอรินธรรมะอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแกสัตว์แสนโกรธนะนะบรรลุมากจริงๆพระนราสพระเสด็จออกจากที่หลีเกร้นในวันที่เจ็พระองค์แนะนํามนุษย์และเทวดานร้อยโกรธให้บรรลุ ผลอันสูงสุดเนี่ยนะแสดงว่าออกจากนิโรธสมาบัติและแสดงธรรมบรรลุเป็นหลายร้อยกูฏเป็นร้อยกูฏพระเรวัตพุทธเจ้าผู้าาผสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะสแสวงหาอาธิศีนเป็นต้นหรือสแสวงหาอาเสขธรรมเป็นต้นแสวงหาโพธิปัจจยธรรมแสวงหาธรรมเป็นที่ดับทุกเนี่ยนะพระองค์ทรงมีสันนิบาตการประชุมสาวกอรหรัน ผู้ปราศจากมนทินเศร้ามองกายวาจาใจหลุดพ้นดีแล้วผู้คงที่สามครั้งผู้ที่ประชุมกันครั้งที่1นึสาวกสนิบาตอรหันนั้นเกินที่จะนับจํานวนได้ผ่าหันบรรลุมากนะครั้งที่สองการประชุมครั้งที่สองนับจํานวนผู้ประชุมได้แสนโกดครั้งที่สพระวดุณะอัคระสาวก ผู้ไม่มีผู้เสมอด้วยปัญญา อ, นนะอักรส า, าวกองค์ที่สองก็คือเออขอไปองค์ที่หนึ่งเนี่ยนะอักระสาวกฝ่ายขวาเนี่ยผู้อนุวัตคือประกาศทำพระธรรมจักตามพระเร ว, วัตถะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเกิดอาพาธหนะัก อ, นะอักระสาวกป่วยครั้งนั้นเหล่าพิกสุก็เข้าไปหาพระมุ น, เนนะีเพื่อถามถึงอาพาธของท่านพระองค์ก็แสดงธรรมนะจำนวน จำนวนแสนโกดเป็นการประชุมครั้งที่สอ่ะผู้ที่คือตอนที่พระอัครส า, าวกป่วยเนี่ยอาพาธพระพุทธเจ้าแสดงธรรมผู้ที่ไปคอยดูแลอุปถากต์เลยนะบรรลุธรรมมากมายก็มีสาวกสันนิบาตทีนี้พระโูธิสัตว์ของเราเนี่ยนะผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เล่าว่าพระองค์นั้นในสมัยนั้นเป็นพราหมณ์ชื่อว่าอติเทวะ เข้าไปเฝ้าพระรวปตพุทธเจ้าฟังธรรมถึงพระองค์เป็นสารณะพรามนั้นสรนเสริญศีลสมาธิและปัญญาคุณอันยอดเยี่ยมของพระองค์ตามกำลังเป็นชาติที่บูชาพระพุทธเจ้าโดยการสันเสริญพระคุณว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มีศีลสมาธิและปัญญาอย่างยอดเยี่ยมะนะ เป็นคำสรรเสริญที่ยกย่องสรรเสริญมากมายใช่อยา่างดูคำสรรเสริญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าองค์กรทวนอีกนิดหนึ่งว่าพระองค์สร้างนครคือสัจธรรมปุระอันแน่นประเสริฐสุดใช่แล้วก็นครคือสัตรธรรมปุระอันประเสริฐสุดพระองค์ทรงสร้างถนนใหญ่ที่ไม่ขาดไม่คดตรงกว้าง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 แล้วก็ชื่นชมอย่างศีลบอกว่าพระองค์มีขันติเปรียบด้วยแผ่นดินทรงมีศีลเปรียบด้วยสาครทรงมีสมาธิเปรียบด้วยขุนเขาทรงมีพระญาณเปรียบด้วยท้องนาภากะเราว่าสุดยอดของคํายกย่องสรรเสริญเนี่ยนะะพระพุทธเจ้าทรงประกาศอินทรีย์พะละโพชชงองค์มรคเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอันนี้ก็เป็นคําชื่นชมพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ ของเราจึงกล่าวสันเสริญพระเรวตตพุทธเจ้าว่าสรเสริญศีล น, นัน่ะนะเปรียบเหมือนกับตอนนั้นก็บอกว่าเสมอด้วยสาครนสมาธิเสมอด้วยสมาธิเสมอด้วยขุนเขาพระเมรุมีปัญญาเสมอด้วยท้องนภาอากาศเนี่ยนะท้องนภาอากาศเหมือนอากาศเหมันใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดสรรเสริญพระคุณตามเป็นจริงตามกําลังความสา ม, มารถของตน ใช่ว่าพระพุทธคุณจะมีอยู่เท่านั้นเนี่ยนะก็สันเสริญ ส, สุดแท้แต่ความสามารถมีเท่าไรก็สันเสริญเท่านั้นเสร็จแล้วก็ได้ถวายผ้าอุตราสงผ้าหม่มเนี่ยนะถวายผ้าหม่มพระเรวตะพุทธเจ้าผู้นำโลกพระองค์นั้นทรงพยากรพระโพธิสัตว์ว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในกลับที่หาประมาณไม่ได้นับแต่กลับนี้ไปอีกสองอสงไขยแสนกลับมากรนะท พระตถาคตออกพิเนสกรมจากกบิลพัทที่น่ารื่นรมตั้งความเพียรรมทุกขกิริยาพระตถาคตประทับนั่งณโคนต้นอาชปาละนิโครธรับเข้ามาถุปายญานณที่นั้นแล้วเข้าไปยังแม่น้ำเนรัญชาราพระชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาุปายญาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญช า, าสเสด็จไปตามมักอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโรพพฤก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 สงสัยไม่มีความเคลือบแคลงเหมือนอย่างว่าดวงอาทิตย์ศาสตร์สองยามเที่ยงวันสว่างส ว, งสวยขจัดความมืดออกไปไม่มีเหลือฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีปัญญาเห็นฉันนั้นก็พยากรณ์อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดว่าหลังจากที่พระโพธิสัตว์ของเราสเสวยเข้ามาทุบายาที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราเสด็จไปตามหนทางที่เขาจัดดีไว้แต่งไว้แล้วเสด็จไปดําเนินณะ ไปถึงโคนโพจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มียศใหญ่ทรงกระทาประทักษิณเวียนขวาโพที่มันทสศฐานอันโยอเยี่ยมตรัสรู้ณนโะคนต้นโพพึกชืชอวอธธะอสัต t ะต้นโพใบ น, นะพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นเพื่อได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะผู้ที่ตรัสรู้นั้นมีพระมีพระชนนีพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางมหามายา ชนกพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุดโทธนะท่านผู้นี้จะมีพระนามว่าโคตมะท่านผู้นี้นั้นจะมีอักขระสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพระพุทธอุปถากชื่อว่าพระอานันทะจักบำรุงพระชินเจ้าผู้นี้ บำรุงแค่ไหนบอกเหมือนเงาติดตามตัวเนี่ยนะคอยดูแลอุปทาษวัน ล, ละ18ครั้งเนี่ยนะกลางคืนก็เดินรอบนะฮะอุปถาษโดยปกติในตังหะสุดยอดของผู้ที่อุปถาษแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีความสุขในการเห็นพระพุทธเจ้าด้วยนี่สิก็ทําได้ยอดท่านเลื่อมใสถึงขนาดว่าท่านอยากจะเห็นวันทั้งวันนี่แหละอยากไปไหนหรอก็อยากจะนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากนั่งชมนั่งฟังธรรมนั่งอะไรไปนั่นแหละ แต่ว่ามันก็ต้องทำกิจนะนะขนนั้นท่านจึงทำทุกอย่างด้วยความไม่ประมาทพระองค์จักมีพระอัครส า, าวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวรรณาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นโพพฤกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัต t h ต้นโพใบ พระองค์จักมีอัครอุปถากฝ่ายคารวาสชื่อว่าจิตตะคือจิตตะเครหบดีและหัตถาอลวกะนะเป็นอุบาสกหัตถาอลวกะนั้นมีบริวารปกติไปไหนมีบริวารห0านะถ้าเขาเป็นกษัตริย์ด้วยนะอัครอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตรานะก็คุดชุดตรานั่นเล้ที่ไหนคุดชุตตราอุบาสิกา พระโคดมพุทธเจ้าผู้มีพระยศพระองค์นั้นเนี่ยมีพระชนมาายุร้อยปีนะร้อปีของเราถึงว่าตั้งร้อยปีอายุยืนเลยนะตั้งร้อยสองปีร้อยสิปีเพิ่งตายไง น, นีอายุขนาดไหนก็ตายเชื่อสรุปว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ที่อยู่รอบๆพระพุทธเจ้าพระนามว่าเรวัตนะ เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นฟังพระดำรัสของพระเรวตะพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอเหมือนในพระคุณทั้งหลายผู้สแสวงหาคุณที่ยิ่งใหญ่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปลาบปลื่มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อพุทธทางกูนนะเป็นหน่อของผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตมื่นโลกเมื่โลกาธาตุทั้งเทวโลก พอได้ยินเสียงพยากรณ์อย่างนั้นก็ส่งเสียงหูร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญเชลีนมัส ก, การกล่าวว่าถ้าว่าพวกเราพลาดจากาศาสนาของประโลกก น, นาตพระนามว่าเรวตะพระองค์นี้ไซในอนาคตตการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระโคโดมผู้นี้แหละเปรียบเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้ามแม่น้ำพลาดท่าน้ำข้างหน้า ก็ถือเอาธาตุน้ำข้างหลั ง, งนะนะเรียกว่าเฉพาะหน้าก็ข้างหลังต่อไปอีกนู่นแหละข้ามแม่น้ำฉันใดถ้าหากว่าพวกเราทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าผ่านพ้นพระชินเจ้าเรวตะพระองค์นี้ในอนาคตการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าของท่านพระสมณะโคดมพุทธเจ้าพระองค์นี้ฉะ น, นั้นเหมือนกันนะนะไม่ตรัสรู้ท่านี้ก็ขอตรัสรู้ท่านะ